ในวันนี้วัดหินมักเป่งและวัดธรรมฮารพร้อมคณะสงฆ์ได้มากราบครวะครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว5วัดหลวงปู่แผงนาคำน้อยผูก้อนบันเพิ่มผูนาลาวนี่ก็ถือเป็นประเพณีอันดีงามสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราถือกันมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้ไปกราบครวะครูบาอาจารย์ที่เหนือกว่าเหมือนกันอันนี้คือถือเป็นประเพณีที่พวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่มีผู้มีอายุอวุโสพันเตและก็พร้อมกันถ่าว่าพวกเราก็าไปหาครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะได้แนะแนวหรือบอกกล่าวให้พวกเราเพราะว่าคุณงามความดีของพวกเรา ถึงเราที่จะเป็นหัวหน้าไม่มีอะไรขาดตกปกพ่องแต่ส่วนลูกน้องญาติยโยมบริวารก็หลายคนจะต้องได้รับการได้ยินได้ฟังเป็นการทัศนศึกษาอย่างมาวัดหลวงพ่ออย่างนี้วัดหลวงปู่แผงวัดผูกก้อนบันเพิ่มอย่างนี้พวกเรามาเราก็เห็นสถานที่แล้วก็เป็นการาดูแล้วก็เป็นการทัศนศึกษาเปรียบเทียบ ทางฝ่ายพระสงฆ์พระเนนก็ได้ดูเอวัดของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยท่านปฏิบัติกันอย่างไรจะสําหรับศรัทธาญาติโยมมาดูวัดวาศาสนาของมาดูเอวัดแต่ละวัดท่านมีจุดประสงค์ท่านทําอะไรทางด้านวัตถุจากนั้นกับพระเนนภายในวัดท่านทําตนอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรพระเนรในวัดของเรามีมากน้อยแค่ไหนแต่ละวัด สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการทัศนะศึกษาจากนั้นก็นําสิ่งที่เป็นประโยชน์นําไปปรับปรุงแก้ไขสถานที่พักผ้าอาศัยของตนเองบ้านพักผอาศัยหรือวัดวา ศ, าศาสนาตลอดถึงแนวความคิดถ้าบอกพวกเราไม่ได้ไปที่ไหนเลยไม่ได้ศึกษาที่ไหนเลยอยู่กับบ้านเพล่เพล เ, เราเอาจจะลืมตัวได้ก็ได้ค่าเนี่เก่งกว่าใครอื่นหรือว่า เด่นกว่าใครอื่นอย่างนี้เอ่อมันอาจจะพยองพองตัวแต่ถ้าเราไปเห็นสถานบ้านของเขาแล้วเราพูดไม่ออกเราจะต้องนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในบ้านของเขามาปรับปรุงแก้ไขบ้านของเราอันนี้ก็เหมือนกันไม่สุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งถ้าว่าจุดหนึ่งอ่อนจุดหนึ่งแข็งของเราใช่จุดหนึ่งแข็ ง, ข อ, ง, า ง, ขงอาจจะมีจุดหนึ่งอ่อนจุดอ่อนคือจุดที่บกพร่องเพราะนั้น ท่านจึงให้ไปดูหรือว่าไปทัศนศึกษาไปดูงานอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราเป็นพระหรือวเป็นศรัทธาญาติโยมในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้านะให้ให้ดูตัวเองมากกว่ามากกว่าดูที่อื่นตัวของเราเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสำหรับศรัทธาญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็ให้พ้อมพากันสั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเรามาถึงปูนนี้แล้วเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อันนี้ให้ถามตัวเองไว้อยู่เสมอถามให้ถามตนไว้อยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรับประ ก, กันตัวของเราได้ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาประธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคําว่าประมาทก็คือความนอนใจความชราใจความตายใจว่าชีวิตของเราจะยืนยาวแต่ที่แท้ชีวิตของเราไม่ว่าใครทั้งหมดไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นเหมือนกับท่านเปรียบเทียบเหมือนน้ำกลิ่งอยู่ใบบัวน้ําอยู่ในใบบัว พวกเราก็คงจะเคยเห็นแต่ถ้าหากว่ามีลมพัดผ่านบางทีลมกระโชกแรงใบบัวมันเอียงมันก็พร้อมที่จะตกได้แต่ถึงยังไงถ้าหากว่าถ้าลมไม่กระโชกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละกิ่งไปกลิ่งมากลิ่งมากลิ่งไปบางทีอาจจะมีสัตว์หรือมีอะไรมาชนมันมันก็กลิ่งตกอีกได้เหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือความเสี่ยงที่สุดคือชีวิตของมนุษยชาติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้อีกว่าพวกเราเกิดมาถึงจะตายไปก็จริงอยู่แต่ว่ามันแตกตายสลายแต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนั้นไม่ตายเนจุดนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักใจจะไม่ตายใจจะต้องไปหาเกิดอีกไปปฏิสนธิเกิดในภพภูมิต่างๆได้อีกเพราะนั้น ให้เตรียมตัวเอาไว้ให้เตรียมสังสมสร้างคุณงามความดีเอาไว้เหมือนกับเราอยู่บ้านหลังนี้อีกสักวันหนึ่งบ้านหลังนี้อายุมันยืนเท่าไหร่4 —ี่หสปีอย่างบ้านไม้ยางเนี่ยเรียกว่าเราอยู่บ้านหลังคาย่าเนี่กี่ปีมันก็จะต้องสำรุดสุดโสมเราก็รู้อันนี้เราใจของเรามาอยู่บ้านหลังนี้ เราพูดได้เลยว่าไม่ถึงร้อยปีเออบางทีก็ห้าหเจดิปีบ้านหลังนี้ก็กระจุยกระจายไม่น่าไว้ใจแล้วถึงจะอายุถึง80ปีนอกนั้นไปก็รู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจแล้วใช้การใช้งานไม่เต็มที่แล้วหลังคารั่วบงังมีอะไรต่อมีอะไรเจ้าของจะต้องหยุดยาหาความสุขไม่ได้แล้ว เมื่ออายุเจกว่าปี80ิปีขึ้นไปแล้วเพราะนั้นร่างกายของเราก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งใจของเราเหมือนกับเจ้าของบ้านอยู่ข้างในคือนา ม, มาธรรมหนึ่งอาศัยบ้านหลังนี้อยู่แต่บ้านหลังนี้จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่บางทีอาจจะไม้โค้นท่าปาังบางทีอาจจะมีปลวกเจาะปลวกชัยขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ที่บางทีเราตรวจตามองไม่เห็นทั้งที่รักษาอยู่แต่บองก่อ มีเสียงเหล่านั้นเข้ามาเจาะใส่ร่างกายเนี่ยก็จะต้องล้มต้องโค่นต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้น เ, เราจะไปไว้ใจเราจะไปนอนใจโดยที่เราไม่ได้คิดในอ่านอะไรก็ไม่ถูกนะในเมื่อเราเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เราก็ต้องพยายามเก็บหอมรอมริบพยายาม ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามสั่งสมบุญกุศลเหมือนกับเรามาอยู่ในบ้านเราก็พยายามทํามาค้าขายเก็บหอมรอมริบเงินคําทรัพย์สมบัติเมื่อบ้านหลังนี้พังไปเราก็จะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นเราก็จะได้สร้างให้ดีขึ้นถ้าว่าเรามีทุนเราสอบแสวงหาทรัพย์คือความไม่ประมาท ต, ตั้งอกตั้งใจสองแสวงหาทรัพย์เมือกี้บอบ้านหลังนี้อีกไม่นานจะต้องพังเราก็พยายาม แสวงหาทรัพย์ให้ได้มากจากนั้นเราไปสร้างบ้านหลังใหม่ก็ได้หลังสวยกว่าเก่าเพราะเหตุไรเพราะว่าเราหมั่นขยันเราตั้งตนตังตงต้งตัวดีเตรียมพร้อมแต่ถ้าว่าพวกเรามาอยู่ในบ้านหลังนี้มาอยู่บ้านหลังนั้นเราไม่ได้คิดอยู่ไปเป็นวันๆแต่ละวันก็กิกนเหล้าเมายาสุรานาลีไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรพอบ้านหลังนั้นพังขึ้นมาเงินคาทรัพย์สมบัติ ร้อยหลอมีไม่พอบางทีเราอาจจะไปลงจากบ้านหลังนี้ไปอาจจะไปปู ก, ก, ร, ะกระต๊อบกระแต็บเนี่ยบ้านมีหลังคงหลังคาหญ้าไม่กี่พัยาบงนั้นแต่พอรักษาคุมตัวเองอยู่เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติด้วย ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีแต่เป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยวัตถหิอตโนนาโถตนวแแเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาโยมทุกคนนะอันดับแร ก, กคือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ทานนะสาหรับกระวัติญาโยมทานเนอคนที่มีทาน ไปนัสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับเป็นผู้เสียสละพี่น้องเพื่อนฝูงวงศ์สางนายาตก็ยอมรับเพราะเป็นผู้มี จ, จิตใจหัวอ้อมอารีคือทานศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษไปนัสถานที่ใดใครก็ไม่ละแวงแคลงใจไม่ทไม่ไปทาโทษให้แกใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปขไมไปรรมโมยใครไม่ประพฤติผิดล่วงเกิน ที่รักของเขาลูกเต้าร้านเหลนของเขาสามีภรรยาของเขาฮให้เคารพสิทธิ์ของเขามุสาไม่ไปไหนไม่โกหกไปหลอกลวงไม่ต้มตูนเขาไปที่ไหนไม่ดื่มสซลาเมาขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายให้เกิดขึ้นกับเขาเสี่งเหล่านี้เมื่อเรามีศินเราไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติทุกระดับ แต่ถ้าว่าเราเป็นผู้ไม่มีศีลไปที่ไหนเขาก่อระแวงแคลงใจอันนี้ก็คือทานศีลภาวนาภาวนาคือคือพยายามทำจิตใจให้สงบอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันสำหรับทานนั้นเป็นหน้าที่ของสญญงัทธายาดโยมท่านเน้นไปนทางสาญญัทธายาิโยมแต่เรื่องศีลเป็นหน้าที่ของพระพระท่านเน้นอยากเรื่องศีลพระไม่มีศีลพระออกนอกลูกนอกทาง ก็ไม่เป็นที่นิยมดูว่าไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่ในคณะส่วนหนึ่งและก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายเขาก็ตำหนิติชินนินทาได้พระออกนอกลู่นอกทางอันนี้นีส่วนหนึ่งสําหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันศรัทธา ญ, ญาติโยมทักขาดศิลมากๆบ้านเมืองก็เดือดร้อนวุ่นวายอีกเหมือนกัน เ, เพราะว่าคนขาดศีลธรรมเพราะนั้นเรื่องศิลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ก, กท่านทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่าย คาวาสญาดโยมศีลของคารวาสก็คือศีลหศีลแปดศีลฝ่ายพระสงฆ์ก็คือศีลสามเณรคือศีลสิบศีลพระก็คือศีลสองรอ่สิบเจ็ดท่านให้รักษาศีลของใครของเราอันนี้ก็คือศีลสมาธิก็คือพยายามทําจิตใจให้มั่นคงปัญญารอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่าน อย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องตงน้นนะยะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสําหรับคราวญาก็มีทานศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์สําหรับพระสงฆ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นนาที่ของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็การประพฤติปฏิบัติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ การเป็นอยู่ทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงสําหรับหมู่พระเนนของพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามนะขอให้พวกหมู่พวกเพื่อนทุกองค์พยายามรักษาวัดวาศาสนารักษาหมู่พวกเพื่อนรักษาศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาแนะนําสั่งสอนมาอย่างไร ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยล่าสมัยสักหน่อยนะการเป็นอยู่ของพวกเราผมอยากจะให้ล่าสมัยสักหน่อยถ้าทันสมัยมากเกินไปก็ท er ําให้ดูดูแล้วมันยังไงยังไงทําให้ไม่สบายใจว่างั้นเถอะปสําหรับผมเองผมก็คิดอย่างนั้นนะในใจของผมผมคิดอย่างนั้นแต่มันก็ลังไม่อยู่เพราะเหตุไรเพราะโลกนี่มันมันทันสมัยไปมากๆว่างั้นเถอะไม่รูเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรแต่บางเสียงบางอย่างถ้ามันล้าเกินไปก็ทําให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ที่หัวรุ่นเก่าหัวรุ่นโบราณเนี <c> ่ย <oughs> ก็ไม่สบายใจมาถึงยังไงก็ตามก็ขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยจะทําอะไรตรงไปก็ให้มองหลักพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นบรรทัดฐานทางว่าเราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหะไปนะัดสถานที่ใดก็เป็นสถานที่เป็นที่ยอมรับของศรัทธาญาติโยมหมู่พกเพื่อนทุกถูกอง แล้วก็พร้อมการก็ให้พวกเราทุกคนนะ่าศรัทธาญาติโยมนะ่าให้ดูแลพระสงฆ์กูบาอาจารย์ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลสรุปแล้วก็คือตายแล้วใหม่ศูนย์นะหลวงพ่อพูดคำนี้บ่อยๆถ้าจะว่าไปแล้วเทศเกือบทุกกันหลวงพ่อจะเน้นจุดนี้ทาไมจึงเน้นจุดนี้เพราะว่าหลวงพ่อได้ยินผู้ใหญ่ทางกรุงเทพ พูดให้หลวงพ่อฟังว่าเขาถามว่าหลวงพี่ว่าไงสมัยก่อนนะหลวงพี่เชื่อไหมว่าคนยุคนี้สมัยนี้เนะี่ยเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์มีมากกว่านะผมเคยไปทานอาหารร่วมในวงในวงทานอาหารร่วมโต๊ะร่วมโต๊ะยาวเหมือนนั้นพอทานอาหารเสร็จผมก็เลยถามเป็นคําถามขึ้นมาว่าผมขอถามเป็นคนๆไปนะ และมีความเห็นว่ายังไงก็ขอให้ตอบอย่างนั้นมีความเห็นอย่างไรไม่ต้องเกรงใจให้ตอบได้เพราะท่านเหล่านั้นก็ได้รับการศึกษามาจากเมืองนอกเกือบทั้งนั้นเหมือนกันเถอะปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ในคำ ถ, ถามว่าพวกคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดท่านยิงคําถามเข้าไปท่านเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญท่านมีความเห็นว่ายังไง เขาก็ตอบทันทีเลยว่าผมไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูงเพราะไม่มีอะไรตายแล้วก็จบไปก็ไม่มีอะไรท่านก็ถามถามถามในความคิดของคนหลายคนถ้าประเมินออกมาหรือว่าถามออกมาแล้วท่านบอกว่าเก้าสหคนเลยเชื่อว่าตายแล้วสูงพวกได้รับการศึกษามาจากหัวนอกทั้งหลายเกสบหคนอีกจากนั้นไปเนี่ย เครื่องเกลางๆลาเนี่ยแปลว่าเชื่อบางไม่เชื่อบางเพราะว่าเคยประสบประการณ์ไปนอนบางทีไปเจอเอและวอย่างผีอำอย่างนี้เรียกว่าเห็นเออขึ้นมาอย่างนี้ก็มีส่วนอยู่ประมาณสามสี่คนไอ้คนที่เชื่อจริงๆว่าตายแล้วเกิดแน่ผมเนี่ยไม่ไม่เป็นอย่างอื่ น, นประมาณสองคนทนเองนะตรงพี่นะเออ เพรนั้นหลวงพ่อจึงอ้างเหตุผลในเรื่องตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะ อ, อบาบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดอีกทําไมเอาหลวงพ่อที่ไหนมาพูดเอามาพูดก็คือพระพุทธเจา้าที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมในโคลนต้นโพวันเดือนหกเพนท่านนั่งภาวนาจิตใจของจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งท่านระลึกชาติผลหลังได้เมื่อจิตของท่านเข้าสู่ความสงบแล้ว ปุเพในวาสานุสติยานรละลึกชาติหนหลังได้นั่นแหล อ, อพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรตัดสรู้ทำสามอย่างในคืนนั้นปุเพในวาสานุสติยานจุปะปะปะตูปปาตยานอาสาวกยญาณทั้งสมอย่างในคืนวันหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เพราอนั้นพวกเราให้ฟิกเคราะห์ดูว่าปุเพในวาสานุสติยานระลึกชาติหนนหลังได้ พระพุทธเจ้าทำอย่างไรจึงะระลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญจ ะ, ะระลึกได้อย่างไงพระพุทธเจ้าทำยังไงพระพุทธเจ้านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศน์ระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพวกเราให้ทำอย่างนั้นทดลองทำดูสิว่าเป็นยังไง อันนี้แหละพราะพระเจ้าท่านสอนแล้วท่านบอกแล้วท่านไม่ได้สงวนลิขิ์ในจุดนั้นพวกเราทําดูก็ได้ถ้าหาว่าพวกเรายังไม่ได้ทําพวกเราปฏิเสธไปเลยปฏิเสธแบบโง่เง้าเต่าตุนจริงที่ยังไม่เคยรู้เราก็ปฏิเสธเหมือนกับเราเห็นสายไฟสองเส้นมาอย่างนี้นะมันไม่มีไฟแต่เขาบอกว่ามีไฟนะไฟฟ้ามันมานะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้ามานะเนยจะไปจับนะมันช็อตนะเราก็ไม่เชื่อเขา แต่พอจับสองส้นไฟเข้าไปเต็มมันช็อตปึ๊กทีเดียวเนี่ยเราจะรู้ได้โอ้โหไฟทำไมมันมีวะเพราะเหตุใรคนที่รู้เขารู้แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยพวกที่อยู่ในป่าดงพงไพม่รู้เรื่องของไฟเลยเนี่เป็นยังไงสรุปแล้วก็คือไม่ได้พิสูจน์ถ้าพิสูจน์ดูแล้วเคยเรียนมาแล้วต้องรู้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดนั่งสมาธิ ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอย่างกันเราจะรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครร่างกายเนี่คือบ้านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นนัเนี่คือบ้านหลังหนึ่งแต่ส่วนจิตใจนี่คือนามธรรมนะั้นคือคนอาศัยบ้านคือคนอาศัยบ้านหลังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถ ส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถอันนี้จะเห็นได้ชัดกว่ามันใกล้เนี่ยก่อนที่จะขับรถไปได้ก็ต้องอาศัยคนคนเป็นคนขับอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราที่อยู่ในร่างกายนี่เนะี่อาศัยร่างกายแต่เป็นผู้ประคับประคองเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนนะให้เชื่อว่าตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นบาป บ, บุญคุณโทษมีจริง พวกเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราจะรู้จะเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างอื่นเชื่อในการประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นนะเชื่อในการกระทำของเราเองนะเพราะนั้นในเมื่อเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกการสั่งสมคุณงามความดีเราก็มั่นใจเพราะนั้นเราจะรักให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็มั่นใจเพราะว่าตายแล้วไม่สูญ การทำบุญทำทานทำเพื่ออะไรทำเพื่ออนาคต เ, เพราะว่าเราไม่สูญเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราทำบุญทำทานเมื่อตายออกจากชาตินี้ไปแล้วเกิดมาพบหนาชาติหน้าบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนเราเจิตใจและดวงวิญญาณดวงนั้นก็จะได้ไปสู่ที่สูงส่งขึ้นโดยอ น, นิสงทานศีลภาวนาของพวกเราเพราะนั่นทานศีลภาวนาอย่างที่ได้กล่าวนั่นเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพวกเรา จนกว่าดวงวิญญาณของพวกเราแก่กล้าสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เห็นอนธิจางทุกขังอนัตตาเห็นสัจจะคือของจริงแล้วจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตาการอันนี้สรุปแล้วก็คือใจเรื่องอยู่ที่ใจทั้งหมดในหลักของพุทธศาสนา กายกับใจกายกับใจถึงจะพูดไปที่ไหนก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พ้นเรื่องของใจใจนี่แหละเป็นเรื่องที่ใหญ่มากพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าทั้ง6ปีกับค้นคว้าเรื่องของใจนะไม่ใช่เรื่องของกายนะเรื่องของใจใจดวงนี้แหละมันมีอะไรอยู่ในนั้นกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันอยู่ในนั้นทําให้พกวลเวียนเวียนไห ว, วาตายเกิดในวัฏะสงสาร พอกิเลสพาเวียนไหวตายเกิดไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะแล้วการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา อ, อ, อากาศก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรวันนี้อ้าวก็จุดเพลงเทนียนนะา